พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักคุณค่าในของแจกเอาหนั่งประจําที่ลูกหลาน จัดฐานยานโยมเมื่อวานฝนตกแห้งและลูกหลาเนเโอ้ตอนบ่ายสามสี่โมงสี่โมงเย็นสีห้าเกือบ้าโมงหลวงพอ่อได้ยินเสียงล่มอู่อูเสียงฝาหลวงพ่อก็ได้นางรถมาเบิ่งข้างนอกเป็นห่วงเต่นตัวจะเต่นล่ม สีมาทางเต็นยันเต็นสักไข้งมันออกไปมันเคยเสียหายเลยพรากลางเต็นแล้วน่ะพายุมาเนยโอ้โลเต็นหลมได้ด่านาดเสียหายหลวงพ่อก็เลยออกมาผว่านฝ้าทีแดงจึงขึ้นไปทั้งปีแล้วท่านทังทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกนะโอ้มันจะล่มล่มแดงตัวนี้วะแต่ก็บอกถึงกําแดงแห้งแล้ววะแต่บอกก็ลม ลักษณะผ้ายุล่ะแต่เมื่อกาเขามาในวัดของเขาเนี่ยข็งๆมันหลวงพ่อก็เลยบอกเอ้ยเทพเจา้าเล่าเทพวาไอ้อย่าไปให้เอาล้มเขามาวัดได้อวะกําลังกลางเต้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเสียหายแฉแหว่ากันเขามาเต้นสิสักขย ง, งบินไปคนละทิศละทางนั่นแท้กันอยากได้ก็จะได้แต่ฝนหรือว่ากันฝนเออเอามา ยังได้ฝนอยู่เพื่อยากให้มันชุ่มช่ำสูมเย็นรู้สึกว่ามันร้อนเหลือเกิน <c oughs> วัดก็แหงแ้งแล้งต้นไม้ก็แหงแ้งแล้งบัดเนี่ยร่มมั่นก็มกั่นไมาทุต่างวัวหลายร่มเสียดเสียดไปหน่อยนึงบ่เสียหายเอ๊ถามพระว่าเป็นยังไงเสียหายไหมบัดของข้าเสียหายบ่บ่ บ, บ, บ่เสียหายครับแต่ว่าฝนโอ้ฝนแห้งขัดเมื่อวาน พอผนเมืองฟ้าหัวนะไว้ฟ้าหัวนะเทลงมาจากจากจากวัดของเข้าเลยชุ่มเย็นชุ่มช่าไปหมดเลยเหมือนเนี่ยเมื่อเสาร์นะก็ลงอีกหน่อยหนึ่งบ้ดนไหนพ่อตะกอนนะฝนในบานนี่ยฝนน่ะแล้วงานฝนน่ะแล่วงานตะกอนยังคอยมาหลังขีดตีนคนบานเนี่ยโดยมากวัดของเข้านี่ที่สังเกตสังเกตดูก่อนจะมีงานกับฝนมากเท่านึงเลย แ ล, แล้วก็แล้วหน้าเหนือฝนเท่เออมาแห้งโขเก่าไปเทวดาวัดท่าหนึ่งผู้มาลูกค้าเทวดาวัดท่าหนึ่ชอบสะอาดอยู่เมื่อก่อนหลวงพอบ่าภาษาทองทินภาษาทาั้งอีสานท่าภาษาเล่าพว่ามีพี่น้องเบี่ยงจานมาโอมาหลายโยกหลายคนโยกเมื่อวานเนี่ยแม่นพี่น้องทั้ง หมกดาหารมากพี่นอ้องเผาผููไทต้นตะกูลของหลวงพอ่อแต่ประเดี๋มื่อเนี่หลวงพ่อมาหยุดมาอยู่ทั้งไอเนี่ยเอมาอยู่ทั้งไอ ห, หน้าคำหน่อยอำเภอหน้ายุ่งเนี่ยมันเป็นพวกอพวกไทยเล่ยได้แถวเนี่ยไปเมื่อเนี่หลวงพ่อจะบอกไทเลย่ยป้อือหลวง หลวงพ่อมาอยู่เนี่ยไม่หลวงพ่อมามาเห็นลูกเห็นลานอาพวกไทยเลยผิดน้องลูกหลานให้เบิง่งช้อยๆกันเดอ้เอางานของเฮาเนี่อีกบอกกี่เมื่อเนี่ยจะเป็นงานใหญ่ะพี่น้องลูกหลานจะมาจากหลแห้งหลายหนกูบาจา์เขาจะมาจะมาหลาทิ้งไหลฐ า, าน พวกเขาลูกหลานชาวบ้านให้ช่วยๆกันเบังทำความทำความสะอาดอาวัดวาศาสนาแล้วก็ให้ตอนรับครับซูพี่น้องลูกหลานาจะให้มันมีปัญหาเน้อลูกหลานเน้ออันนี้ลพอบอกพระสารเลยเออเมือวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่นะลูกหลาน อีกไม่กี่วันวันที่ 27-26 ก็ใช่ละอีกวันสองสามวันงานของเราก็เขม่งเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2560งานของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาหลายวันท่านผู้ใดศรัทธาญาติโยมท่านใดได้ยินเสียงหลวงพ่อ ที่พูดออกไปจะเป็นทางเฟซยูทูบหรือวิทยุก่อหลวงพ่อไม่มีการไม่ได้มีบัตรเชิญหรือว่าไม่มีดีกาหนิบนขอหนิบนด้วยเสียงของหลวงพ่อเนี่ยแหละลูกหลานผู้ใดจะไปถือเป็นอย่างอื่นหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระของลูกของหลาน ของศรัทธาญาติโยมทุกคู่ทุกคนเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่มีอายุพรรษามากกว่าเขาขอนิมนต์ถ้าได้ยินเสียงออกไปแล้วก็ข อ, อนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเนน้องนุ่งทางไรตลอดถึงพี่น้องประชาชนที่หให้เข้ามาร่วมมารวมแต่ให้มาดีแต่สุดท้ายให้มาดี ถ้ามาไม่ดีมาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวมาทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าเข้ามา เ, เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลเป็นสถานที่ประกอบคุณงามความดีไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีหลวงพ่อไม่ต้องการไม่อยากจะพบไม่อยากจะเห็นอีกต่างหาก เ, เพราะนั้นขอให้พวกหลานทุกคนเนอะได้ยินได้ยินนะก่น เชิญมาร่วมวันเกิดหลวงพ่อก็มีปีเดียวปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านี้แหละไม่ได้จัดสองครั้งวันเกิดมีวันเดียวเพราะนั้นพวกเราคณะสัาญญาตยาธิษฐโยม ท, ทุกคนที่มาร่วมก็ขอมาแต่ถ้าวว่ามาไม่ได้ติดธุระหรือไม่ได้มาเพราะ สุขภาพร่างกายไม่เอือออำนวยหรือไม่สะดวกในการเดินทางแต่ว่าประกอบคุณงามความดีได้อยู่หลวงพ่อก็บอกว่าขอให้พวกคณะทัดทา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนถึงจะอยู่ในบ้านก็ให้ตั้งอกตั้งใจวันที่ 26-27 หบเออผู้ข่าไปงานหลวงพ่ออินไม่ได้ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้า รักษาศีลห้าเป็น เ, เครื่องมุทิตาสักกะในหลวงพ่อนะเพียงแค่นั้นแหะหลวงพ่อโอบปล่้มปีติยินดีเป็นอย่างมาก เ, าเป็นการปฏิบัตินตนเอง เ, อเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่บูชาหลวงพ่อนะ เ, อเพียงแค่นั้นแหะหลวงพ่อถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นลูกศิษย์ของพระพุธทธเจ้าเป็นญาติโกโหติกาของหลวงพอ่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมของหลวงพอ่พอพราะเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมเป็นวันเกิดของหลวงพอ่อรักษาศีลห้าทานได้สักสองวันก็ดีนะลูกหลานนะวันที่ยี่สิกับวันที่ยี่ดนะหรือเผ่อเพื อ, เพ อ, ออกถึงวันที่28ดก็ด้วยก็ยังได้รักษาศีลห้าสักสามวัน เนี่แหละเพียงแค่นั้นหลวงพ่อก็ดีอกดีใจด้วยแล้วก็พร้อมว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมางานหลวงพ่อก็ได้นะหลวงพ่อกันะพร้อมกันหลวงพ่ออุทิตหรือว่าเป็นการมอบบุญกุศลอุทิศเป็นการส่งจิตกสวรรคแสจิตแสใจ ให้กับคณะสัทธา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนอยู่นัสถานที่ใดถ้าประกอบคุณงามความดีอยู่ในคุณอยู่ในกร อ, อบของศีลธรรมแล้วก็ขอให้บุญกุศลของหลวงพ่อเดชบำเพ็ญมาก็ขอให้เกื้อกูลหนุนลูกหลานทุกคนจงประสบความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจนะนี่แหละหลวงพ่อก็คิด อ, อ, อย่างนั้นเหมือนกับคนะณะสัตา ญ, ญาโยมลูกหลานแต่ทียังไงพวก พานเนรลูกหลานที่เข้ามาช่วยงานของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันหลวงพ่อเองก็ขอขอบบุญขอบคุณลูกหลานทุกคนตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่เขามารวมมาร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงญาติติโกโหติกาญาติติธรรมของหลวงพ่อนะถ้าวว่าลูกหลานไม่ไม่เข้ามาช่วยก่อนหลวงพ่อก็ ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันก็หนักหนาพอสมควรแต่ถึงยังไงก็ตามนะผูกลูกหลานทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่ากระว اة ท่านผู้ใดพอเข้ามาแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เหมือนกันพอหลวงพ่อเองก็ บ, บินทบาทฉันก็เหมือนกับลูกกับหลานเหมือนกับพาลูกพาหลานทุกองอมีอะไรมาก็ฉันตามที่มันเกิดมันมีเพราะนั้นลูกหลานเข้ามาทําไม่มี ไม่มีอยู่มีกินลูกหลานจะตำหนิหลวงพ่อไม่ได้นะลูกหลานนะลูกหลานต้องเตรียมพร้อมเข้ามาด้วย mm hmm. มาเสือเผื่อแผ่กันนะนะศรัทธา ญ, ญาติโยมเว้นไว้แต่กรูบาครูบาอาจารย์น้องหนุ่มลูกหลานทั้งหลายเอี่เอามาช่วยการช่วยงานอันนี้มาดูขาดตกบกพ่องที่จะต้องจัดต้องทําในงานในวัดของหลวงพ่อ มีต่อ้ายไฟบา ง, งกลางเต้นบางต่อน้ําบางอะไรต่อเปียมอะไรมากมายาก็นี่แหละครูบาอาจารย์ครูบาเนเป็นหัวหน้าศรัทธาญาติโยมเป็นผู้เป็นลูกมืออันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็พอใจปลื้มใจกับพระลูกพระหลานกับศรัทธาญาติโยมลูกหลา น, นอยู่ในละแวกนี้นะจะคิดว่างานของพวกเราคงจะไม่มีปัญหา ตอที่ ผ, ผ่านมาทุกปีก็ไม่มีปัญหาอย่างที่เราเคยผ่านมานะแต่ปีนี้ก็คิดว่ามั่นใจว่าคงไม่มีปัญหาคงจะงานงค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะงานของเราเป็นงานที่ไม่มีมหมอรหมอและศพไม่มีการรื่นเริงอะไรมีแต่มีการสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแลว้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ตักบาตรทำบุญทำทานจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ เ, ออเท่านั้นแหละ มีอะไรของสำรวยคงจะมีบ้างมีเทปมีหนังสือมีธรรมะนั่นนะคงจะไม่มีอะไรที่เป็นของฝากสำหรับคณะศัต ธ, ธ า, าติโยมลูกหลานแต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษหน่อยสัต ธ, ธ า, าติโยมก็พิมพ์หนังสือประวัติของหลวงพ่อนะแต่ยังไงก็ให้ครูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูครูบาอาจารย์ที่มาร่วมมาองค์ไหนควรจะได้รับให้ แต่จะไปหาแจกสุมสี่ซุมห้าไม่ได้นะเดี๋ยวอาหนังสือหลวงพ่อไปทิ้งเกื่อนไปหมดไม่ได้หนังสือมีคุณค่าแล้วก่อนหนังสือควรจะมองหน้าเจ้าก่อน อ, อจึงจะให้เ อ, อถ้าเอามาเป็นผู้ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้ะออก็ให้ไป อ, อถ้าเอาไปแล้วก็ดูๆแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรออพอเห็นเขาได้ก็ได้ไปเพรได้ของฟรีนะ อ, อไปก็ทิ้งเกลื่อนไปเออ ไม่ใช่ของอย่างนั้นนะปกหลวงพ่อเคยเห็นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะงานของหลวงปู่ล่าหนังสือมาไม่ทันพอมาไม่ทันก็เลยมาแจกกันอยู่ที่เอารถสิบล้อมาก็เลยขนลงก็มาแจกใครมาก็แจกให้แจกให้แจกให้แจกให้หนังสือประวัติและปัญหาธรรมของหลวงปู่ล่ะ อ, อส่งคุณค่านะหนังสือเหล่านั้นส่งคุณค่าะไปท่านได้แล้วเอาไปอ่านเอาไปศึกษาแล้วนะมีประโยชน์อย่างมากนะ อ, อแต่ทีนี้พอพระนี่โคโลโกโโซมากรับไปรับไปคนต่างคนต่างรับผลที่ส่งอมาทิ้มจะตามโคนต้นไม้เลยทีนีเออ้เกลื่อนไปหมดเลยเทีนี้พอไปเห็นโอ้โหโพธิไห้นี่จะอืึนในใจเลยว่างั้นะ อผู้ที่แจกเนะ่ยผู้ที่พิมพ์หนังสือออกมาเนะี่ยมันสือื่นในใจว่าไงพอเหตุไรเพราะผู้ที่รับไปนะไม่เห็นคุณค่าจากนั้นผมถือเอาไปมันก็นหนักใช่ไหมไม่รู้จะเอาไปเพื่ออะไรถ้าเป็นเงินเออตรงกาลแต่เป็นของอย่างนี้นะเ น, นี่ยมันหนังสือธรรมะหนะอืมผลที่สุดก็เลยทิ้งเกินตามโคนต้นไม้ไปพระไปหาเก็บเออเอามานะนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะ ที่พูดให้ฟังเนี่ยก็คือให้กู่บาทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อเนี่ยให้ช่วยกันคิดนะมิชาใหาเห็นใครมาหรือเห็นเป็นคนก็จับยื่นใครเขาไม่ตองการก็ต้องเรียกเข้ามาให้มาเอา mm hmm. มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ mm hmm. เราต้องคิดดูให้ดีว่ า, าควรจะให้กับใครบ้างให้เกิดประโยชน์ท า, าให้ ไ, ไม่เกิดประโยชน์ก็เสียหาย มันมันจะมันะอนในใจเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะความโง่ความเสร่อของผู้แจกนะเพราะนั้นปีนี้เขามีหนังสือประวัติของหลวงพ่อถ้าววาผู้ใดนำไปอ่านแล้วหลวงพ่อก็มั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสำหรับผู้ฝ่ในการเรียนรู้ฝ่ในการศึกษาเพราะมันมีทั้งประวัติ ศาสตร์ทั้งย้อนหน้าย้อนหลังด้วยแล้วก็เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเองด้วยแล้วก็เป็นแนวการศึกษาของหลวงพ่อไปศึกษากับครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ได้นแนวความคิดอย่างไรหลวงพ่อก็เนีบอกบอกเก่าๆศรัทธาญาติโยมก็บันทึกแต่จะให้เต็มร้อยเปอร์เซนไหมก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางสําหรับ ผู้ใฝในการเรียนรู้ไฝในการศึกษาเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกหลานพันลูกพัลานนะอันนี้ค่ให้แจกแจกกันเนอร์ไจะแจกก่อนก็ได้ได้จะแจกที่หลังก็ได้จุดแท้แต่พวกท่านทั้งหลายจะตกลงกันนะแต่ถ้าผู้ใด้รับแล้วก็ไม่ควรจะรับอีกในวันแจกถวายกูบายจารในวันนั้นนะวันที่26นะ่สิบพวกเรารับไปก่อนก็ได้นะแต่คงจะมี MP ็ส อีกชุดหนึ่งคงประมาณสักสิบแผ่นมัง้งอันนี้แปลว่าสุดท้ายนะปีนี้นะคงกําลังคงจะมาในเร็ววันนี้แหละวันอาจจะไปวันนี้หรือวันพรุ่งนี่แหะคงจะมาถึงแต่หนังสือมาก่อนแล้วแต่ยังมายังไม่หมดนี่แหละอันนี้ก็คือที่จะพวกพวกเราจะแจกเป็นของสําร่วยหรือว่าเป็นของที่ระลึกนี่ วันเกิดของหลวงพ่อปีนี้พอหลวงพ่อปีนี้ปี 72, 72 12 12บส2งสก็เปีก็เลยมีหนังสือประวัติแต่ตามไม่จริงมันก็ผู้ที่รักเคารพนับถือเชื่อถือกันก็ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่เไม่รู้จักหไม่เคารพ รักกันพอได้ยินว่าประวัติท่านั้นก็คว้างหูเหมือนกันนะพราะโลกก็นี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่หลวงปู่ล่าท่านก็เขียนประวัติอายุท่านเจ็ดสิบปีนะั้นลูกหลานถ้าไม่นั้นก็อ่านอ่านในหนังสือประวัติของท่านก็ได้นะหรือเอ็มพสามที่เราเปิดในวันนั้นอนะท่านก็อายุเจ็ดสิบปีท่านเขียนประวัติของท่านเองนะแต่หลวงพ่อไม่ใช่พูดที่เขียนเก่งขนาดนั้นนะแต่หลวงพ่อในเจ็ดสิบสอง อก็ไม่อก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเจ็ดิเอ็ดเจ็ดิบปีท่านเขียนประวัติหลวงพ่อเจ็ดสิบสองนะก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปเท่าไหร่ฮะพอจะฟังกันขึ้นได้แต่กองเราก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรอกเราก็เชิดชูบูชาพระคุณองค์ครูบาอาจารย์แต่ของเราก็เนะี่ยคนเราก็ต้องมีประวัตินะั่นแหละตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ก็ยังมีประวัติแล้วถ้าจะเขียนนะอ ตื่นขึ้นมาไกดฝนตกใช่แล้วก็ถือลมลง ม, มาแล้วก็มาเดินจงกรมจากนั้นก็มาศาลามาคองผ้าจากนั้นก็ไปบินทบาทมีหลายคนใส่บาทเนีมันเป็นประวัติทั้งหมดนะนะคนเราไม่มีให้ไม่มีประวัติเลยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ใครจะเขียนหรือไม่เขียนเท่านั้นเองเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเราจะอ่านก็อะไรไม่อ่านก็ไะไรก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันแต่ว่า เขียนก็นดีกว่านะเ อ, อแล้วก็อ่านศึกษาไว้ก็ดีกว่าอีกเหมือนกันถ้าผู้ใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าว่าไม่สนใจในการเรียนรู้ศึกษากเนี่ยก็ไม่เป็นไรเ อ, อ น, านานาจิตตังน า, นานาทัศนะอยู่แล้วนะเนี่ยล้อันนี้ก็คือหนังสือที่ของที่จะมาแจกในวัน อ, อในวันที่ยี่สบหกยิบเจ็ดเนี่ยเพียงพอไม่หลวงพอ กคงจะไม่พอถ้าเพียงก็คงจ ะ, ะก็คงจะน้อยอยู่เพราะเหตุไรก็เพราะหนังสือเราพิมพไม่มากแล้วก็ต่อไปถ้าหาว่ามันติดตลาดนะถ้าส่งไปแล้วเออมีเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเออนังสือประวัตอิอยากจะได้อีกอันนั้นเราก็ค่อยพิมพ์ออกอีกก็ได้เพราะเหตุไรเพราะจะตัปัจจัยที่ ศรัทธาญาติโยมรวบรวมมาก็คงจะมีเหลือบ้างอยู่แต่ไม่มากนะคงจะพิมพ์ได้อีกจกชั่วต่อเติมได้อีกนี่แหละอันนี้เราค่อยว่ากันทีหลังเราต้องดูตลาดซะก่อนมีใช่ว่าตั้งหลับหูหลับตาเทออกมาผลในสุดหนังสือเกลื่อนทิ้งกลาดไปหมดดูๆแล้วมันก็นเสียหาย ถ้าไม่ใช่วางโง่จะว่าอะไรอีกล่ะเนี่ยไม่รู้จักประมาณตนหลับหูหลับตาพิมพ์ไปเรื่อยเงินเท่าไรผลในสุดไม่มีใครสนใจไม่มีใครจะเอาไปหยิบไปศึกษาไปอ่านมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แล้วะเราจะพิมพ์ไปทำไมเผอเผยเดี๋ยวจะเรียกคืนอีกต่างหากเออเอามาเอามาคืนมาสู่เจ้าจะไปหาเที่ยงนะถ้าว่าใครส่งคืนมาเราจะให้รางวัล หลวงพ่อจะว่าอย่งงางนั้นไปอีกนะถ้าใครสูงคื้นมาเราจะให้รางวัล น, นะเราหลวงพ่อจะเก็บเงินเอาเก็บมันก็นมาเผาทิ้งเอะมันเป็นหนังสือของเราใช่ไหมล่ะนี่แหละกา ค, ะคิดว่ามันเกิดประโยชน์นะเราจึงพิมพ์เพื่อว่าบอกกล่าวเผยแผ่ออกไปให้ลูกหลานได้ฟังได้ได้เรียนได้ศึกษานะนี่แหละอันนี้ก็คือประวัตินะแต่ธรรมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกัน m อ3พสอันนี้รู้สึกว่ า, าติดตลาดพอสมควรแต่ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมาก็รู้สึกว่ า, าตัวหลวงพ่อเองเป็นคนพูด่ก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจพอสมควรนะในเอ็ p พีสามพอเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งหวังลาบหวังยศอะไรในนั้นก็เราก็ไม่ได้มีแผ่ขออะไร มีแต่ให้ธรรมะเป็นทานตนเองการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ให้ธรรมะแนวความคิดไปศึกษาบวชเข้ามาทำยังไงศึกษาอะไรอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนาให้ฟังๆดูนั้นลูกหลานอยู่ในนั้นเสร็จหลวงพ่อก็ได้ค้นคว้าใน ศึกษาในพระไตรปิฎกทั้งชาดกด้วยนิทานชาดกด้วยธรรมะประทัตตกถาพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตนอย่างไรบ้างแล้วก็ธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาผสมประสานกันแล้วก็ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตรงพ่อว่ามันก็ดีแล้วนี่เราไม่ต้องค้นคว้าศึกษาและฟังอ ถ้าเราสงสัยหนะลวงพ่ออินพูดผิดและวพูดถูกนีดด่ ว, าว่เาเราก็ไปอ่านดูก็ไ ด, ด, ด้เรื่องพูดเรื่องนิ่งเรื่องภาษาริบุตรอย่านงะแล้วก็โค้นขวาเรื่องภาษาริบุตรเอออยู่ในนั้นไนะม่มีพระโมคขลาเนี่ยก็ดูพระโมคขลาดูพระอนท์ก็ดูพระอนทน์รนนู้เรื่องอนนาถมาิติกเศ ธ, ธีเนี่ยก็ดูประวัติของท่านก็หลวงพ่อก็ได้ยกมาจากท่านเหล่านั้น น, ะนี่ว่า รรมัทัตกระถามาในครั้งพุทธกาลนี่แหละมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดนะลูกหลนานพระเนรลูกหลนนานคณะสถาญาติโยมนะเอาวันนี้หลวงพ่อพูดตอนนี้ก่อนนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตรนีนะ